วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆยังตั้งใจ มาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนอันเลิศอันประเสริฐที่เหนือกว่าคำสั่งคำสอนของทุกๆคูบาอาจารย์หรือทุกๆคำสอนที่มีในโลกนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี้คำสั่งคำสอนทางโลกที่เราเรียนกันตามสถาบันการศึกษาต่างๆนี้สู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยเพราะคำสั่งคำสอน ทางโลกนี้ไม่สามารถนำเอาไปกาจัดความทุกข์ทางใจได้ได้แต่เพียงไปกาจัดหรือบรรเทาความทุกข์ทางร่างกายได้เท่านั้นแต่การที่จะไปกาจัดความทุกข์ทางใจนี้มีคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าเพียงคำสอนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปจากใจได้ความความรู้ทางธรรมคือความรู้ของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นความรู้อันประเสริฐเหนือกว่าความ รู้ท้งพวงที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อให้เราได้ศึกษาวิชาความรู้ทางโลกไม่ว่าจะเป็นแขนงใดก็ตามถึงระดับสูงสุดของความรู้ในแขนงนั้นความรู้ในแขนงต่างๆนั้นก็จะไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ที่เรียนรู้นี้ได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้คนที่จบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์กันก็ยังต้องร้องห่มร้องไห้ยังต้องมีความเศรา้าโศกเสียใจมีความวิตกมมีควากังวลมีความเครียดเพราะวิชาความรู้ที่ได้เรียนรู้จนทำให้ตนเอง ได้จบเป็นด็อกเตอร์จบปริญญาเอกนั้นไม่สามารถที่จะมากำจัดความทุกข์ทางใจได้เลยความรู้ทางธรรมนี้เท่านั้นที่จะสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ผู้ที่มีความรู้ทางธรรมอย่างสมบูรณ์แล้วนี้ จะไม่มีความทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิ้นจะไม่เครียดจะไม่วิตกจะไม่กังวลจะไม่หวาดกลัวจะไม่เศร้าโศนเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเพราะไม่มีเพราะมีธรรมะคอยคุ้มครองรักษาใจไม่ให้ไปทุกข์ไม่ให้ไปวุ่นวาย กับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองนี่แหละถึงความรู้ทางธรรมจึงเป็นความรู้ที่เลิศที่ประเสริฐแต่ในสายตาของคนที่ไม่ฉลาด ก็จะไม่เห็นคุณค่าของความรู้ทางธรรมเพราะผู้ที่มีความรู้ทางธรรมนี้มักจะไม่ใช่เป็นผู้ที่เจริญในทางโลกกะระมผู้ที่มีความรู้ทางธรรมนี้จะไม่เป็นมหาเศรษฐียังไม่เป็นพระราชามหากสัตย์เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นประธานาธิบดีจะไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลอันมีเกียรติต่างๆที่ทางโลกได้มอบให้กับกันและกันและเป็นผู้ที่อยู่แบบมากน้อยสันโดษไม่ได้มีสิ่งต่างๆอนันหรูหรามา อยู่ด้วยแต่อยู่แบบปกติอยู่แบบมากน้อยอยู่แบบสันโดษอยู่เหมือนอยู่เหมือนกับคนขอทานอยู่เหมือนกับคนที่ไม่มีบ้านช่องที่วาสัย<ม>เพราะว่าบุคคลที่มีธรร ม, มะอยู่ในใจนั้น ม, มีความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองการได้มียศมีตำแหน่งสูงๆต่างๆการได้รับรางวัลเกียรติยศเกียรติคุณต่างๆหรือการมีรูปเสียงกลิ่นรสผธตภะชนิดต่างๆ ไว้ให้เจ็ให้สัมผัสอยู่เรื่อยๆความสุขที่ได้จากโลกธรรมนี้สู้ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมไม่ได้ผู้ใดที่ได้ปฏิบัติธรรมและได้บรรลุธรรมแล้วนี้จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขของโลกธรรมจึงไม่มีความ ขขนขวายหรือความต้องการที่จะได้ ร, ราบยศสรเสริญสุขมากครอบครอง<ม>จึงอยู่แบบมากน้อยสำโดดอยู่แบบเรียบง่าย<ม>แต่ภายในใจนี้มีความสุขมากกว่ามหาเศรษฐี<ม>ที่อาจจะมีข้ารหารราคาเป็นร้อยล้านพันล้าน แต่สามารถมีความสุขเหนือกว่าความสุขของเศรษฐีด้วยการอยู่ตามสถานที่ที่ร่มรื่นตามธรรมชาติคือตามโขนไม้มตามเนื้อผา<ม>หรือตามถ้ำต่างๆอันนี้เป็นที่ของผู้ที่มีความสุขทางธรรมของผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทางจิตใจ ไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาความสุขทางโลกทางโลกคือไม่ต้องพึ่งอาศัยความสุขของลาบยศสรศรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับตนเพราะความสุขที่ได้รับจากรถแห่งธรรมเป็นความสุขที่ชนะรถทั้งปวงใจมีความสุขแล้ว ร่างกายจะอยู่ในสภาพไหนก็ไม่เดือดร้อนแม้แต่เวลาที่ร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายต้องตายไปใจที่มีธรรมะใจที่ได้บรรลุธรรมจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจไมืกับความเป็นความตายของร่างกายเพราะใจนี้ เข้าใจความเป็นจริงของร่างกายว่าเป็นใครกันแน่ผู้ที่มีธรรมะนี้มีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวของตนเองจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนเครื่องมือชิ้นหนึ่งเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่ผู้ขับรถนี้ใช้ขับไปไหนมาไหน แต่ผู้ขับรถนี้รู้ว่ารถยนต์นี้ไม่ใช่เป็นผู้ขับรถผู้ขับรถนี้ไม่ใช่เป็นรถยนต์เวลารถยนต์เกิดความเสียหายขึ้นมามผู้ขับรถนี้ไม่ได้รับความเสียหายจากความเสียหายของรถยนต์แต่อย่างใด ร, <ม>รถยนต์จะเสียก็เอาไปซ่อมซ่อมได้ก็ซ่อม ก็ไม่ได้กระทิ้งมันไปถ้ายังมีความต้องการจะใช้รถยนต์อยู่ก็ไปหาซื้อรถยนต์คันใหม่มาขับต่อนี่คือความเข้าใจของของใจต่อร่างกายผู้ที่มีธรรมะคือใจผู้ที่รู้ความจริงใจที่รู้ว่าตอนเองนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย ตอนเองเป็นเพียงผู้ที่มาอาศัยร่างกายใช้เป็นเครื่องมือไปทำสิ่งต่างๆที่งที่ใจอยากจะอยากจะได้อยากจะทำเนื่องจากความหลงของใจที่ยังไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนจึงเกิดความหลง ไปคิดว่าความสุขนี้อยู่ที่โลกกระทำทั้งสี่ก็คืออยู่ที่ลาบยศสารเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆและการที่จะมีลาบยศสารเสริญสุขได้ใจจำเป็นจะต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ ถ้าไม่มีร่างกายใจก็จะไม่สามารถที่จะไปหาราบยศสรเสริญสุขมาเสพมาครอบครองได้นั่นเองนี่คือสาเหตุทำไมใจจึงต้องอาศัยร่างกายทำไมจึงต้องมีร่างกายเพราะใจนี้มีความหลงผิด เห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าการจะมีความสุขได้นั้นจําเป็นต้องมีลาบยศสรเสริมมีรูปเสียงกิรลดพุทธทภะมาให้เศษนั่นเองและการที่จะเสษลาบยศสรเสริญสุขได้เสษ ร, รูปเสียงกิรลดพุทธพะได้ก็จําเป็นจะต้องมีตาหูจมูกลิ้วกายมีร่างกายนี่เอง ร่างกายมีตาไว้ไว้ดูรูปมีหูไว้ฟังเสียงมีมีจมูกไว้ดมกลิ่นมีลิ้นไว้สัมผัสกับรสต่างๆและมีร่างกายไว้สัมผัสกับผลทพะคือสิ่งที่มากระทบกับร่างกายเช่นความร้อนความหนาวแล้วสิ่งที่เป็นของแข็งหรือของนุ่ม ที่มากระทบกับร่างกายหรือของแหลมคมของเหล่านี้เราเรียกว่าผลทัพะเน่สาเหตุของการที่ใจนี้ต้องมาสายร่างกายเพราะความเห็นผิดเป็นชอบเพราะไม่รู้ว่าความจริงแล้วใจสามารถมีความสุขได้ในตัวของตนเอง ใจสามารถมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสโลกโล ก, กธรรมคือาะลาภยศสารเสริญสุขใจไม่รู้ความจริงว่าในใจของตนนั่นแหละมีสิ่งที่วิเศษมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ภายในใจของตนที่เรียกว่า รถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมนี้ก็คือรถของความสงบใจที่สงบนิ่งเย็นใจเป็นใจที่มีความสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่า พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่านาัติสันติกา ร, รังสุขขังสุขเอินที่มีอยู่ในโลกนี้สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เป็นความสุขที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุด ผู้ใดถ้าได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากความสงบนา้จะปล่อยวางจะยุติการแสวงหาความสุขของทางโลกไปนี่คือสัจธรรมความจริงที่ใจผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมจะไม่รู้กันใจที่ไม่มีธรรมะก็คือใจที่ไม่มีปัญญา ไม่มีสัมมาทิฏฐิ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นใจที่มีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบ <Yeah. S 1> เห็นว่าโลกรธรรมคือราบยศสารเสริญสุขนี้ <Yeah. S 1> เป็นความสุขแต่โดยความเป็นจริงแล้วโลกรธรรมนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ ไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนเป็นความสุขที่จะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปเวลาเกิดการเปลี่ยนไปหรือเกิดการหมดไปความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่นรถก็จะหมดไปและสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความเศร้าโศกเสียใจ แต่เป็นสิ่งที่ใจที่ไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นกันก็เลยวิ่งเข้าหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะความหลงพาให้ไปคิดว่าเป็นความสุขเห็นว่าเห็นว่าลาบยศเสริญเห็นว่ารูปเสียงกิรลดโพธภพานนี้เป็นของที่จะให้ความสุขกับใจ แต่มันไม่ได้เป็นไปตามความเห็นผิดเป็นชอบความจริงก็คือมันจะกลายเป็นความทุกข์ทุกครั้งไปไม่ช้าก็เร็วถ้าได้ไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลตพะเสเพราบยศสารเสริญแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอความทุกข์จากราบยศสารเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสน้อย่างแน่นอน นี่คือปัญหาของใจที่ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่รู้ความจริงว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์นั้นอยู่ที่ความสงบของใจเพียงอย่างเดียวใจก็เลยใจของผู้ที่ไม่รู้ความจริงนี้ก็เลยต้องไปอาศัยร่างกาย ไปเกิดกันใจเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเราเป็นเพียงผู้ที่มาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือพาให้เราไปหาความสุขกันหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะแล้วผลที่ตามมาก็คือ ความสุขที่เราหาจากราบยศเสริญ จ, จากรูปเสียงกิ่นล้นนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามันอาจจะหมดไปมันอาจจะหายไปหรือเราไม่สามารถที่จะไปหามันมาให้ความสุขกับเราได้อีกเพราะร่างกายของเราก็เป็นของไม่แน่นอนเหมือนกัน ร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาราบยศเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืนจะต้องมีวันเสื่อมมีวันสิ้นสุดลงจะต้องเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและเข้าสู่ความตายตามลําดับต่อไปช่วงนั้นแหละความสุขที่เคยได้จากสิ่งต่างๆ แย่าร่างกายมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นปัญหาของใจที่ไม่ได้มีธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ได้ศึกษาหรือไม่สนใจที่จะศึกษาเพราะว่าถูกความหลงหลอกให้เห็นว่า ไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เห็นคุณค่าของการที่ได้บรรลุทำอันประเสริฐที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าใจก็เลยไปหลงระเริงอยู่การหาราบยศสรรเสริญ หาลูกเสียงกิเลดในขณะที่มีกำลังวังชามีความสามารถที่จะทำได้<ม>แต่พอมาถึงขีดหนึ่งความสามารถก็จะหมดไปความสามารถในการหาราบยศสรรเสริญสุขก็จะหมดไปมไม่ช้าก็เร็ว<ม><ม>แล้วเวลานั้นก็จะต้องเจอกับความทุกข์กัน ความรู้ต่างๆที่ได้เรียนรู้ในทางโลกนี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจได้เลยเวลาที่ต้องประสบกับความเสื่อมประสบกับความสิ้นสุดลงของราบยศสันลเสริญหรือความสิ้นสุดลงของร่างกายอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางโลกจะต้องประสบกันจะต้องเจอกันทุกคนแต่สำหรับผู้ที่มีโชคหรือมีโอกาสได้เรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติตามคำสอนจนสามารถที่จะมีธรรมะหรือมีปัญญาที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจได้ผู mm ้ hmm. นั้นแหละจะไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆของทในโลกนี้ mm hmm. เวลาที่เกิดความเสื่อมทางลาบยศสรเสรอิอ mm hmm. ทางรูปเสียงกลิ่นรส mm hmm. เวลาที่เกิดความเสื่อมทางร่างกาย mm hmm. ใจของผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมแล้ว mm hmm. จะไม่เดือดร้อนกับ ความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นี่คือคุณค่าคุณประโยชน์ของพระธรรมอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าซึ่งถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคธรรมะนี้เป็นธรรมะโอสฐ์เป็นยารักษาโรคของใจโรคของใจก็คือโรคของความทุกข์ชนิดต่างๆ เช่นความเครียดความวิตกกังวลความเศร้าโศกเสียใจเป็นต้นความทุกข์เหล่านี้สามารถกาจัดได้ด้วยธรรมโอสถก็คือด้วยธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแต่การที่ธรรมอันประเสริฐนี้จะมาทำประโยชน์ให้กับใจมาดับความทุกข์ให้กับใจได้ จำเป็นที่จะต้องน้อมเอารำม้าคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เข้ามาสู่ในใจให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้คำม้าคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังนี้ยังไม่ได้อยู่ในใจของเราเราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมันอยู่ที่การได้ยินได้ฟังแล้วก็การจดจำํำ การจดจํานี้ยังไม่ถือว่าเข้ามาอยู่ในใจคือการได้สัมผัสรับรู้ในเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาในใจเพียงแต่การรับรู้ว่ามียารักษาโรคใจแต่การที่จะเอายานี้มารักษาโรคใจมากําจัดความทุกข์ของใจได้นั้นจําเป็นจะต้องเอายานี้เข้าไปในใจ เหมือนกับยาที่รักษาโรคทางร่างกายยาที่มีอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ตามร้านขายยานี้เป็นยาที่รักษาโรคภายไข้เจ็บของร่างกายได้แต่การที่จะทำให้โรคภายค่้เจ็บของร่างกายหายไปได้นั้นจํามเป็นที่จะต้องไปเอายาจากร้านหรือจากโรงพยาบาลมารับประทานเอามาเข้าสู่ภายในร่างกาย เพราะถ้าใจอยู่ภายนอกของร่างกายนี้ยานี้ไม่สถ้ายาอยู่ยังอยู่ภายนอกของร่างกายเช่นไปหาหมอหมอสั่งยามาให้กินแต่ยังไม่ได้เริ่มกินยายาก็ยังไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ของยาได้คือรักษาโรคของร่างกายให้หายไปได้แต่พอเ ร, เราได้รับยามาจากคนไข้ได้รับยาจากหมอแล้ว แล้วก็เริ่มเอายามาลับประทานยาก็จะเข้าไปในร่างกายได้พอยาเข้าไปในร่างกายยาก็จะเริ่มทำหน้าที่ของยาได้คือไปกําจัดต้นเหตุของของของโครคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ธรรมะก็เหมือนกันธรรมะที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจากหนังสือก็ดีจากสื่อต่างๆก็ดีนี้ ในเบื้องต้นนี้ยังถือว่าเป็นธรรมะที่อยู่นอกใจอยู่สิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อให้ธรรมะนี้เข้ามาสู่ภายในใจของเราเราต้องเอาเข้ามาด้วยการปฏิบัติเหมือนกับด้วยการกินยาของทางร่างกายได้ยามาจากหมอแล้วเราก็ต้องเอายา ก, กินมากินตามเวลาที่หมอสั่งให้กินวลาสามเวลาสี่เวลากินครั้งละสองเม็ดหรือหนึ่งเม็ด เราก็ต้องทำตามคำสั่งของของหมอฉันใดธรรมะของพระเจ้าที่เป็นเหมือนกับยารักษาโรคใจก็เหมือนกันเวลาที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันเวลาที่เรามาศึกษาธรรมะกันไม่ว่าจะจากสื่อดก็ตามจะเป็นหนังสือก็ได้จะเป็นเสียงที่บันทึกไว้ก็ได้ หรือเป็นภาพและเสียงที่เราดูกันก็ได้อันนี้เป็นเหมือนกับการไปรับยามาจากพระพุทธเจ้ารับธรรมโอสถเมื่อเราได้รับมาแล้วเราก็ต้องนำเอาไปเอามาเข้าสู่ใจของเราตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงสั่งว้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าอยากจะกาจัดความทุกข์ภายในใจนี้ ต้องเอาความรู้ที่พระเจ้าทรงสอนนี้เอามาเข้ามาสู่ในใจด้วยการระลึกรู้อยู่เรื่อยๆให้รู้อยู่เรื่อยๆว่า <Yeah. S 1> ความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากอะไรเกิดจากความหลงเกิดจากความอยากในสิ่งต่างๆที่มันไม่สามารถให้ความสุข อย่างแท้จริงให้กับเราได้เพราะว่ามันเป็นของที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมอยู่เรื่อยๆออให้เราเอามาพิจารณาสอนใจถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเรื่องราวต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆกับลาบยศสารเสริมกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ เราต้องเอามาเอาความรู้ที่พระเจ้าได้ส่งรู้ว่าราบยศเสริญสุขนี้มันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันเป็นของที่เป็นเป็นของธรรมชาติอนัตตาแปลว่าเป็นของธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนกับดินฟ้าอากาศ ที่ไม่มีใครไปสามารถจะไปควบคุมบังคับมันได้ตลอดเวลาบางเวลาเราอาจจะควบคุมได้บางเวลาเราอาจจะควบคุมไม่ได้ถ้าเวลาที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเราอยากจะไปควบคุมมั น, นมันก็จะทำให้เราทุกข์กันอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่คือปัญญาหรือความรู้ที่จะมาสอนใจเพื่อให้ใจ ปล่อยวางอย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงอย่าไปอยากได้ในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุม บ, บังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ถ้าเราไปอยากได้ของที่ไม่เที่ยงแล้วก็อยากจะให้เขาเป็นเป็นไปตามความอยากของเรา ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องทุกข์กันเช่นร่างกายของเรานี้ที่เราได้มาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆมันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีการเจริญเติบโตแล้วก็ต้องมีการเสือ่อมมีการชราภาพมีการเจ็บไข้ได้ป่วยและมีการตายไปเป็นธรรมดา อันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงและมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นอนัตตามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของดินน้ำลมไฟร่างกายนี้มันทำมาจากดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเป็นผู้มาสร้างมารวมกันเพื่อทำให้เกิดมีอาการสามสิบสองของร่างกาย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 นี่คืออาการสามที่สองที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายภายในทุกอาการนี้อาการสาทสองทั้งทั้งสาสองอาการนี้ไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวเราหรือเป็นของเราเลยใจไม่ได้ศึกษาใจก็ไปอยู่ดีๆก็ไปตู่เอาไปเหมาเอาว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเรา เพราะว่าใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายนั่นเองและเมื่อใจมาได้มาได้ร่างกายมาครอบครองก็เลยหลงผิดไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจแทนคิดว่านี่แหละคือใจใจคือร่างกายร่างกายคือใจพอไปเห็นความเห็นร่างกายว่าเป็นตนขึ้นมาใจก็เลยต้องมาทุกข์กับร่างกายทันที เพราะว่าร่างกายนี้มันเป็นของที่ไม่ถาวรไม่ยั่งยืนนั่นเองเวลาที่ร่างกายเสื่อมเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปนี้จะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะความไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายใจก็เลยทุกข์เวลาร่างกายเจ็บใจก็คิดว่าใจเจ็บเวลาร่างกายแก่ใจก็คิดว่าใจแก่ เวลาที่ร่างกายตายใจก็คิดว่าใจตายแต่ความเป็นจริงแล้วใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเลยแนมะ้แต่นิดเดียวใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ถ้าใจไม่ได้ศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าใจจะไม่รู้ความจริงอันนี้จะถูกความหลงความเห็นผิดเป็นชอบหลอกให้ไปคิดว่า ใจเป็นร่างกายแล้วก็เลยต้องมาทุกกับความเป็นความตายของร่างกายเท่านั้นเองถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนรู้จากพระธรรมคําสั่งคาสอนแล้วว่าเราต้องมาศึกษาเข้าใจความจริงของร่างกายนี้ว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่ตัวเรามันทามาจากดินน้ำลมไฟธาตุ ท, ทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟโดยอาศัย ร่างกายของพ่อและของแม่มาช่วยสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาอาศัยธาตุดินน้ำลมไฟของพ่อกับธาตุดินน้ำลมไฟของแม่มาผสมกันแล้วก็มาจเจริญเติบโตอยู่ในท้องแม่อยู่เก้าเดือนด้วยกันพอจเจริญเติบโตจนมีอาการครบสาสิบสองสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายของแม่แล้ว ร่างกายของเราก็คลอดออกมาจากท้องแม่แต่นี่เป็นเรื่องของร่างกายใจนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายใจนี้เป็นธรรมชาติที่รู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดเั่งนั้นเองใจนี้แหละเป็นผู้รู้รู้ว่ากำลังเช่นขณะนี้รู้ว่ากำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่รู้ว่ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีลมพัดมีเสียง อย่างอื่นนอกจากเสียงเทศผู้ที่รู้นี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รู้นี้คือใจร่างกายนี้ไม่มีความสามารถที่จะรู้อะไรร่างกายนี้เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้นี้จะไม่รู้รูปเสียงกลิ่นรสไม่รู้ว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นร่างกายเองก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นร่างกายเป็นเพียงแต่ภาชนะหรือเป็นเครื่องมือที่ ส่งข้อมูลต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไปให้ใจผู้รู้ท่านนั้นเองใจนอกจากรู้แล้วยังมีความรู้สึกด้วยมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์รู้แล้วก็สามารถจำได้จำได้จำรูปเสียงกลิ่นรสจำเหตุการณ์อะไรต่างๆได้แล้วก็มีความสามารถที่จะคิดที่จะสั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆได้ อันนี้แหละคือใจใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาใจที่ไม่มีความแก่ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายแต่มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะความหลงผิดนั่นเองเพราะความไม่ฉลาดไม่คิดด้วยเหตุด้วยผลไม่มองด้วยความด้วยด้วยความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าสติปัญญา มีไม่มีกำลังมากพอที่จะมองเห็นความจริงนี้ได้ mm. ผู้ที่จะสามารถมองเห็นความจริงของใจกับของร่างกายได้นี้จะต้องเป็นผู้ที่มีเครื่องมือในการรู้รู้จักใจและรู้จักร่างกายว่าเป็นคนละส่วนกัน mm. เครื่องมือที่จะทำให้ใจสามารถรู้ความจริงของใจและของร่างกายได้นี้ ต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาต้องมีการบาเพ็ญจิตตภาวนาคือนั่งสมาธินั่นเองและการที่จะนั่งสมาธิได้ผลก็ต้องมีการเจริญสติในเบื้องต้นก่อนถ้าไม่มีสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดเวลา น, นั่งสมาธิใจจะไม่สงบใจจะไม่นิ่งใจจะไม่แยกออกจากร่างกาย แต่ถ้ามีสติฝึกสติไว้ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดอยู่แล้วพอเวลามานั่งสมาธิก็ใช้สติคอยกํากับใจให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวเช่นให้รู้อยู่กับคำบิกรรมพุทโธพุทโธก็ได้หรือให้รู้อยู่กับการหายหายเข้าหายใจเข้าหายใจออกของลมหายใจก็ได้ ให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกเฝ้าดูลมหายใจที่ปลายจมูกเพียงอย่างเดียวด้วยสติควบคุมบังคับไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับเรื่องลมอย่างเดียวให้รู้ว่าตอนนี้ลมกำลังเข้าหรือลมกำลังออกหรือถ้าใช้พุทโธก็ให้รู้อยู่คำพุทโธพุทโธไปอย่าทาอย่าปล่อยให้พุทโธหายต้องระลึอกอยู่เรื่อยๆพุทโธพุทโธไป ถ้ามีสติกำกับใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุโทโธรู้ลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องไม่นานใจก็จะรวมลงเป็นเข้าสู่ความสงบขณะที่ใจรวมนี้ก็คือใจแยกออกจากร่างกายชั่วคราวการรวมของใจก็คือการดึงเอาดึงกระแสของวิญญาณที่ไปเกาะอยู่ที่ตาหูจมูกนิ้งกาย ให้ออกจากร่างกายชั่วขาวให้กลับเข้ามาสู่ใจพอจิตรวมลงจิตสงบนิ่งจิตก็จะเห็นตัวจิตแล้วก็จะเห็นว่าตัวร่างกายตอนนี้หายไปจะเห็นว่าออจิตกับร่างกายนี้เป็นคนรับตัวกันอันนี้แหละผู้ใดที่อยากจะรู้ความจริงของร่างกายและของจิตใจอย่างแท้จริงนี้ต้องอาศัยการปฏิบัติจิตตภาวนา คือสมถะภาวนาในเบื้องต้นพอเราทำจิตให้รวมทำให้จิตแยกออกจากร่างกายได้แล้วเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเวลาที่จิตกลับมาเข้ามาสู่ร่างกายเราก็ต้องเริ่มสอนสอนจิตตลอดเวลาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายเป็นเพียงดินน้ามลมไฟมีอาการสาบสองเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาอันนี้เป็นการสอนใจเพื่อไม่ให้ลืมความจริงที่ได้รับรู้ในขณะที่เข้าไปในสมาธิในขณะที่เข้าไปในสมาธินี้เพียงแต่รู้ว่าจิตกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันแต่ถ้าออกจากสมาธิมาแล้วถ้าไม่คอยตอบย้ำไม่คอยเตือนความหลงที่เคยคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรา เป็นของเรามันก็จะกลับมาแล้วมันก็จะคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเราเป็นร่างกายแล้วพอร่างกายเป็นอะไรไปใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าใจไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรนั่นเองความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดจากการเป็นไปของร่างกายเช่นความแก่ความเจ็บความตายนี้ไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้ใจทุกขนะ์ต้นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยาก อยากให้ร่างกายไม่แก่อยากให้ร่างกายไม่เจ็บอยากให้ร่างกายไม่ตายเท่านั้นเองเพราะความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นใจใจเป็นร่างกายใจก็เลยไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายตามร่างกายไปนั่นเอง <S <S แต่พอเราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าที่มาสอนให้พวกเรารู้ว่าเราเป็นใจเราไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย ร่างกายแก่เราก็ยังรู้เหมือนเดิมเรายังมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเดิมร่างกายเจ็บเราก็ยังรู้เหมือนเดิมร่างกายตายเราก็ยังรู้เหมือนเดิมเวลาที่ร่างกายตายไปเอาไปเผาเอาไปฝังเอาไปแยกเป็นธาตุไปหมดแล้วกลายเป็นธาตุสีหายไปหมดแล้วใจก็ยังรู้อยู่ใจผู้รู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกนึกคิดก็ยังอยู่ต่อไปไม่มีวันหายไม่มีวันสูญ เพราะธรรมชาติของใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันที่จะจะจะสูญหายได้จะหมดไปได้มันเป็นมันเป็นผู้รู้ผู้ผู้คิดผู้มีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ผู้ที่มีความสามารถที่จะไปเชื่อมไปเชื่อมกับร่างกายผ่านทางกระแสของกิจวิญญาณของของใจ วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อไปรับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ใจได้มารับรู้และได้มาเสดนี่คือผู้รู้คือใจผู้ที่มีความสามารถผู้นี้ไม่มีวันตายเพียงแต่ว่าถ้ายังอยู่กับความหลงอยู่ถ้ายังมีความหลงอยู่ก็จะถูกความหลงนี้หลอกให้ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุข จากราบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อต้องอาอาศัยเมื่อต้องไปหาความสุขจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจากสิ่งที่ควบคุมบังคับไม่ได้ก็เลยไม่สามารถที่จะทำให้มีความสุขได้ตลอดเวลาเพราะสิ่งที่ไปหานี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่เปลี่ยนแปลงได้หมดได้เวลามันเปลี่ยนเวลามันหมด มันก็ทำให้ความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นหายไปเราความสุขหายไปความทุกข์ก็เข้ามาสู่ใจ ท, ทันทีนี่แหละคือปัญหาของใจที่ไม่มีธรรมะก็จะถูกความหลงหลอกให้ไปหาร่างกายอยู่เรื่อย หาร่างกายนี้ได้ร่างกายนี้มาก็ใช้ร่างกายนี้ไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิก่นรสไปจนกว่าร่างกายนี้จะหมดความสามารถจนกว่าร่างกายนี้ตายไปพอตายไปร่างกายก็จะย่อยสลายกับคืนสู่ธาตุสีดินน้ำลมไฟไปใจที่มีการเชื่อมต่อกับร่างกายก็ต้องอยู่แบบไม่มีร่างกายไปชั่วคราวก่อน แล้วก็ไปรอโอกาสไปรับร่างกายอันใหม่ต่อไปจะได้รับเมื่อไหร่นี้ก็ไม่มีใครรู้จะช้าหรือจะเร็วนี้ก็ไม่มีใครรู้แต่ไม่ช้าก็เร็วจะได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็จะกลับมาใช้ร่างกายอันใหมน่นี้หาราบยศสารนสนุขอีกรอบหนึ่งต่อไปแล้วก็จะเจอกับความสุขเจอกับความทุกข์ ที่ผ่านไปเปลี่ยนไปผัดกันมาผัดกันไปเดี๋ยววันนี้สุขเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกวันนี้หัวเราะพรุ่งนี้ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจไปจนถึงวันตายพอถึงวันตายแล้วก็ร่างกายก็ย่อยสลายกลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปใจก็ยังอยู่ต่อไปใจก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่อัอนนี้แหละคือเรื่องของ ของใจกับของร่างกายที่มีความสัมพันธ์อย่างนี้กันมาอันยาวนานความสัมพันธ์ของใจกับร่างกายหลายหลายหลายร่างกายนี้มีมาเป็นเวลาอันยาวนานจนํานวนของร่างกายนี้มีมากจนไม่สามารถที่จะนับได้ด้วยตัวเลขถ้าอยากจะรู้ว่า ได้มามีร่างกายกี่ร่างแล้วก็ให้นึกถึงน้ำตาที่เวลาที่เราได้ร่างกายมาเรามาเกิดแล้วมาร้องหม่มร้องไห้เวลาที่เราประสบกับความทุกข์ต่างๆนี้น้ำตาที่เราได้หลั่งในแต่ละครั้งที่เราได้มาเกิดได้มามีร่างกายนี้ถ้าเราเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่คือจำนวนของภพชาต จำนวนของร่างกายที่เราได้มากันและเรายังจะได้ต่อไปอีกเรื่อยๆ mm hmm. การได้ร่างกายนี้ไม่ได้หมายความว่าจะได้แต่ความสุข mm hmm. เพราะร่างกายนี้มันเป็นของที่มีความทุกข์มาด้วยและการได้ราบยศสรรเสริญสุขก็เหมือนกันมันก็มีความทุกข์มาด้วยเพราะมันมีความเสื่อมตามมาได้ราบก็มีมีการจเจริญราบก็ต้องมีการเสื่อมราบ มีมีการได้ยศก็ต้องมีการเสื่อมยศมีการได้สรรเสริญก็ต้องมีการได้นินทาหรือมีได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดก็จะต้องได้ความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นดรดเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งของโล ก, กธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้คนฉลาดถึงถึงพยายามที่จะยุติการที่จะมา ห า, าะลาภยศเสริญสุขกันเพราะเห็นแล้วว่ามันเป็นการพาให้จิตใจนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับกองทุกข์อยู่ไปเรื่อยๆและการที่จะทำให้ใจนี้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมีร่างกายต่อไปก็ต้องอาศัยการสร้างความสุขที่มีอยู่ในใจให้ปรากฏขึ้นมาให้ได้เท่านั้นเอง ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี่แหละจึงเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้จาเป็นที่จะต้องมาบำเพ็ญมาปฏิบัติทาที่เรียกว่าจิตตะภาวนาที่มีอยู่สองระดับด้วยกัน คือสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาระดับแรกเรียกว่าสมถะภาวนาคือการทำใจให้สงบด้วยการใช้สติควบคุมใจนะถ้ามีสติควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งใจก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้เมื่อเข้าสู่ความสงบแล้วใจก็จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ก็จะสามารถเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้จากการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรดก็มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการทำใจให้สงบจากการบําเพ็ญจิตตภาวนา mm hmm. ผ, ผ, ผู้ที่ต้องการที่จะหาความสุขจากจิตภาวนาแต่มรูปแบบ mm hmm. ก็เป็นพวกที่ไปเป็นนักบวชกันนั่นเองพวกที่เป็นนักบวช น, นี้นเขา เห็นแล้วว่าความสุขทางลาบยศเสริญจากทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นความทุกข์เขาไม่ต้องการหาความสุขแบบนี้เขาต้องการความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมจิตตะภาวนาทำใจให้สงบเขาก็เลยสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ส, รรสละลาบยศเสริญที่เขาไม่อยู่ เพรของพวกนี้ไม่สามารถทําใจให้สงบได้นอกจากไม่ทําใจให้สงบแล้วยังจะเป็นอุปสรรคต่อการทําใจให้สงบด้วยจึงจำเป็นที่จะต้องสละความสุขทางโลกฆศณะสลระราบยศเสรเสริญสละรูปเสียงก ล, ลิ่นรสผดท่าพระเช่นพระพุทธเจ้าก็ต้องเสด็จออกจากพระราชวังสละราบยศเสรเสริญของเจ้าชายสิทธัตถะไป แล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชสัมมณโคโดมอยู่ด้วยการถือศีลของนักบวชนักบวชนี้มีศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลบวชก็คือศีลแปดขึ้นไปศีลห้า น, นี้ยังไม่ไม่ถือว่าเป็นศีลบวชเป็นเป็นศีลของผู้คลองเรือนของผู้ที่ยังต้องการหาความสุขจากราบยศสารสญสุขอยู่ เพียงแต่ว่าให้หาความสุขแบบที่ไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นและสร้างความเดือดร้อนควาเสียหายให้กับตนเองเพราะการกระทําบาปนี้มีผลกระทบทั้งกับผู้ที่ได้รับได้รับการกระทําและผู้กระทําเองก็ต้องไปรับผลบาปทางด้านจิตวิญญาณต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตวิญญาณที่ไปทำบาปก็จะต้องไปเป็นจิตวิญญาณที่ พุ่มห่อด้วยความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปเาะฉะนั้นศีลห้านี้ไม่ถือว่าเป็นศีลของนักบวชนักบวชนี้ต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปเพราะนักบวชนี้ต้องการหยุดการหาความสุขทางโลกกระทำนั่นเองหยุดการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ไปทํามาหากินหาเงินหาทอง ถ้าจะหาก็หาเพียงแต่หาปัจจัยสี่หาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเช่นนักบวชก็จะไปเป็นหาอาหารด้วยการบินทบาทด้วยการไปรับทานจากผู้ที่มีจิตเมตตากรุณาจะไม่แสวงหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระศินแปนี้ก็จะเป็นสินที่ห้ามไม่ให้ไปหาความสุข ทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มาให้กับการมาหาความสุขจากการทำใจให้ให้สงบด้วยการฝึกสติเจริญสติการจะฝึกสติให้ได้ผลดีนี้จาเป็นที่จะต้องอยู่ตามลำพังไม่ต้องมีภารกิจที่จะต้องทำให้ใจต้องคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้ายังมีภารกิจที่จะต้องคิดถึงเรื่องงานเรื่องการอยู่การเจริญสติเพื่อให้ใจสงบนิ่งนี้จะไม่สามารถทำได้ได้ง่ายจะทำได้ยากมากดังนั้นการจะเจริญสติได้ผลดีนี้จาเป็นจะต้องไม่มีภารกิจอย่างอื่นถ้าถ้าอยากจะหาความสุขจากความสงบนี้แต่ถ้ายังมีมีภาระหน้าที่อยู่ก็ต้องหาเอาวันที่เป็นวันหยุดทางาน เช่นวันไหนหยุดทำงานก็ไปหาที่สงบอยู่คนเดียวแล้วก็ไปฝึกสติเจริญสติเพราะวันหยุดทำงานนี้เราไม่มีเรื่องงานเรื่องการที่จะมาให้เราต้องคอยคิดไม่เหมือนกับวันที่เราต้องไปทำงานวันที่เราต้องไปทำงานนี้เราจะต้องคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถึงแม้จะมีสติก็มีสติเพียงแต่ให้มันอยู่ในกรอบของความคิดเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถหยุดความคิดได้เพราะจะมีความจาเป็นจะต้องคิด แต่ถ้าเราไปปฏิบัติทำในวันที่ไม่มีไม่ต้องทำงานนี้เราก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเราก็สามารถใช้สติคอยควบคุมจิตไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ถ้าเรามีสติสามารถคคุมความคิดได้เวลานั่งสมาธินี้มันจะนั่งได้อย่างสบายไม่รู้สึกอึดอัดการที่เรารู้สึกอึดอัดเวลาที่เรานั่งสมาธิก็เพราะใจเรายังหยุดความคิดไม่ได้ ยังอยากคิดเรื่องนั้นอยากคิดเรื่องนี้อยากทําอย่างนั้นอยากพูดอยา่างอยากพูดอยากทําอยู่พอมันต้องมานั่งเฉยๆปั๊บไม่ให้พูดอะไรนี่มันก็เลยเกิดอาการอึดอัดขึ้นมาแต่ถ้าเราฝึกสติไว้ก่อนฝึกสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดไม่ให้อยากไม่คิดอยากทําไม่ให้คิดอยากพูดได้ พอเวลามานั่งสมาธินี้มันจะไม่รู้สึกเหนือยหายมันจะรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกสบายแล้วมันก็สามารถอยู่กับคาบาลรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปได้หรืออยู่กับการดูลมหายใจไปอย่างเดียวไม่ต้องทำทั้งสองอย่างก็ได้นะทำพุทธโธอย่างเดียวก็ได้ทำดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องพุทเข้าโทออกแล้วบางทีมันอาจจะยุ่งยากเกินไปก็ได้ เอาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเราสามารถทําให้พุทโธเร็วก็ได้ช้าก็ได้ถ้าเราใช้พุทโธคําเดียวบางทีเราอยากจะท่องให้พุทโธเร็วขึ้นเพราะมันมีความคิดเข้ามารบกวนใจแล้วก็สามารถพุทโธพุทโธพุทโธให้เร็วขึ้นได้แต่ถ้าเราเอาพุทเข้าพุทโธไปผูกไว้กับลมนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนความช้าเร็วของคําบริกรรมพุทโธได้มันมันผูกติดไว้กับลมหายใจลมหายใจมันก็จะไม่ มันจะเร่งให้มันหายใจเร็วหายใจช้าก็ไม่ได้เนฉะนั้นถ้าถ้าจะใช้คำบริกรรมคิดว่าใช้กับใช้คำบริกรรพุโทโธเพียงคําเดียวดีกว่าหรือถ้าเราเหนื่อยเราไม่อยากจะบริกรรมแล้วเราเหนื่อยเราก็มาดูลมอย่างเดียวก็ได้ดูเฉยๆดูที่ปลายจมูกดูว่าลมเข้าหรือลมออกเท่านั้นเองไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้รู้อยู่ที่ปลายจมูกที่ลมสัมผัสเข้าออกเท่านั้นเอง ให้รู้ตรงจุดนั้นจุดเดียวเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราสามารถคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไม่ไม่นาน5นาที10นาทีใจก็จะรวมได้ใจก็จะนิ่งได้แล้วใจก็ได้พบกับความสุขในเบื้องต้นในะระดับต้นคือความสุขที่เกิดจากความสงบแต่เป็นความสงบชั่วคราวเป็นความสงบที่ยังไม่ถาวรเพราะเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลา เพราะเรายังมีร่างกายที่จะต้องดูแลอยู่ต้องออกมาดูแลร่างกายต้องมาเปลี่ยนอิริยาบถร่างกายนั่งอยู่ในท่าเดียวนานๆเดี๋ยวมันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาร่างกายต้องมีการขับถ่ายมีการหาอะไรมาดื่มมารับประทานการจะอยู่ในสมาธิตลอดเวลามันก็ยังทําไม่ได้ก็เวลาออกจากสมาธิมามก็ต้องใช้สติคอยควบคุมความคิดต่อไปเพื่อควบเพื่อคว บ, ควบ ควบคุมความอยากความอยากที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจมันอาศัยความคิดแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้แบบชั่วคราวแต่ถ้าเราอยากจะหยุดความอยากแบบถาวรเพราะเพราะเราต้องการที่จะกาจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้เราก็ต้องสอนใจด้วยปัญญาว่าอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้น เพราะว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะทําไม่ได้แล้วมันจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็อย่าไปอยากให้มันแก่อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปล่อยมันปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันตาย ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะปล่อยได้พอปล่อยได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายไม่ทุกข์กับความเสื่อมของราบยศสารเสริญของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆในโลกนี้จะเกิดจะดับจะเจริญหรือจะเสื่อมถ้าเราไม่ไปมีความอยากกับมันแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมัน <S <S อันนี้เป็นขั้นวิปัสสนาเรียกว่าปัญญา ให้เราเข้าใจถึงความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาจะต้องดับไปที่เรียกว่าเกิดดับเกิดดับก็คือสิ่งต่างๆนี่มันมีการเกิดแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องมีการดับไม่มีอะไรที่จะอยู่ไปไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่มีวันดับเกิดมาแล้วจะต้องมีวันดับไม่ช้าก็เร็วเท่านั้นเองให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้แล้วเราก็จะไม่มีความอยาก ให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดเมื่อเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์อันนี้แหละคือวิธีการนําเอาธรรมะที่เป็นเหมือนกับยาบําบัดความทุกข์ใจนี้เข้ามาสู่สู่ใจของพวกเราด้วยการปฏิบัติด้วยการปฏิบัติศีล ก, ก็คือถือศีลของนักบวชศีลแปดขึ้นไป แล้วก็ปฏิบัติสมาธิและปัญญาถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาทั้งสามข้อนี้ได้ครบถ้วนแล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากของเราได้หยุดความอยากที่มีในใจเมื่อเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะไม่มีอีกต่อไปใจของเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขไม่ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับอะไร เพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ไม่ไม่ไม่ดับอะไรจะเกิดแล้วมันจะดับก็ปล่อยมันดับไปเราไม่มีความอยากกับอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้ทุกอย่างเขาเป็นไปไม่ได้ไปอยากให้เขาเกิดไม่ได้ไปอยากให้เขาดับเขาจะเกิดก็ปล่อยเขาเกิดไปเขาจะดับก็ปล่อยเขาดับไปก็มีเท่านั้นเองพอเราไม่มีความอยากแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับการเกิดกับการดับของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ความทุกข์ก็จะไม่มีในใจของพวกเรา และเมื่อเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไป mm hmm. เมื่อเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตาย mm hmm. ทุกข์ก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกต่อไปได้สำหรับใจที่มีธรรมะที่จะมาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจที่มาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจ mm hmm. นี่แหละคือเรื่องของธรรมะที่พวกเรามาศึกษา mm hmm. มาปฏิบัติกัน mm hmm. เพื่อเอามาใช้ดับความหยุดความอยาก ที่เป็นตัวเหตุที่มาสร้างความทุกข์สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับพวกเราถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะดับความทุกข์ได้นี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาปูราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสัง a ปาจันโทปนะวัสยะถามานิโชติ ภราสุยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินาศตุมาตเตปาวตวันตายยสุขิตาโยโกภาวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนยัตตารุธรรมวาทฐันเตอายุวันโสุขัง ล, ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทางยูทู e วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์406 YouTube พัสุชาติ Live 317 YouTube d จ็ดยูทูบด็อร์วีชิวิทยุออนไลน์7จับเฮา์หน้ากุฏิ145รวม943ค่ะคำถามจากคุณแม็กกับนมัสการค่ะมีคำถามในการปฏิบัติทำอย่างไรให้มีความสม่ำเสมอฝึกนั่งสมาธิแต่ขาดความต่อเนื่องค่ะต้อง มีตารางเวลาของการปฏิบัติเรากำหนดเวลาของเราเห mm. มือนกับเรากาหนดเวลาไปทำงานเราไปทำงานว mm. ัน mm. จันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงการปฏิบัติก็แบบเดียวกันก็เป็นการทำงานอยู่ที่เราจะกำหนดมันว่าเราจะทำอย่างต่อเนื่องหรือไม่ mm. ถ้าเราต้องการทำให้มันต่อเนื่องเราก็กาหนดไว้ว่าจะทาทุกวัน วันละกี่ชั่วโมงอันนี้ก็ต้องกําหนดเวลาแล้วก็ทําตามทู้เวลาที่เรากําหนดไว้คําถามจากคุณอัจชรากับนวัต ก, การเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกฝากปัจจัยไปทําบุญกับพระอาจารย์ลูกได้บุญเหมือนกับไปถวายด้วยตัวลูกเองหรือไม่เจ้าค่ะบุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทองไปนั้นได้เท่ากันไม่ว่าจะมาเองหรื จะฝากเขามาส่วนที่เราไม่ได้ก็คือความเพียรเราขี้เกียจเราก็เลยไม่ได้เดินทางมาก็ได้ส่วนนั้นก็ไม่ได้ไปถ้ามาเองก็ได้อีกส่วนหนึ่งคือได้ความขยันได้วิริยะบาลมีด้วยนอกจากได้ทานบาลมีแล้วก็ได้วิริยะบาลมีความเพียรแต่มันก็ไม่ต่างกันมากหรอกมันก็ ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่จะเป็นประเด็นสำคัญอะไรถ้าเรามาเองไม่ได้ก็ฝากเขาเขาเขามาก็ได้สมัยนี้เขาก็มีการโอนเงินผ่านทางมือถือก็ถือว่าเป็นการได้ทำบุญเหมือนกันเป็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้การได้ความเพียรนั่นเองคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ระหว่างที่เดินทางไปปล่อยปลาปรากฏว่าปลาตายก่อนถึงจุดที่จะปล่อยแบบนี้คือเราก็ไม่ได้บุญแล้วใช่ไหมคะมันก็อยู่ที่ว่ามันเป็นเจตนาเราทำให้มันตายหรือเปล่าแต่การที่เรามีเจตนาแล้วเราก็จ้าวเขาไปปล่อยแต่เขาตายก่อนก็ถือว่า เราก็ยังได้บุญอยู่เพราะเราเสียงเงินที่เราไปซื้อของซื้อปลาตัวนั้นมาปล่อยส่วนนี้เราก็ได้อยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นกรรมของปลาที่มันถึงเวลาที่มันจะต้องตายอันนี้ก็ไม่ได้ทําให้บุญของเราสูญหายไปไหนบุญก็ยังได้นอกจากว่าเราปลาไปคืนเจ้าของคนขายแล้วของเงินคืนอย่างนี้เราถึงจะไม่ได้บุญ เราได้บุญที่เกิดจากการเสียสละเงินทองเพื่อไปช่วยชีวิตเขาอย่างที่นี้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุใดที่ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ทำให้เขาตายไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของของกรรมของป่าไปไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการไม่ได้ทำบุญของเราเราก็ได้บุญอยู่เหมือนเดิมคำถามจากคุณเปรมจิต กรณีที่เพิ่งฝึกนั่งสมาธิถ้าสวดมนต์บทสวดในใจเช่นบทสวดพาหุง ม, มหากาในขณะที่นั่งสมาธิเช่นนี้จะสมควรหรือไม่เจ้าคะถ้าเรายังนั่งดูลมไม่ได้นั่งพุโทโธไม่ได้เราก็อาศัยการสวดไปก่อนเป็นการกระทําที่ถูกวิธีราบางทีใจเรายังฟุ้งอยู่ยังคิดมากเรื่องอยู่ก็เลยให้มันไปคิดอยู่กับบทสวดมนต์แทน พอให้อยู่กับลมมันไม่ยอมอยู่มันยังไมีหยุดคิดอยู่กับพุโทโธมันก็อยู่มันก็ไม่ยอมหยุดคิดเราก็ให้มันไปสวดมนต์ก่อนให้อยู่กับให้มันคิดอยู่กับบทสวดมนต์มันก็จะค่อยๆบรรเทาความคิดหยุดความคิดลงไปได้ในระดับหนึ่งจนกว่าเราจะสามารถนั่งดูลมเฉยๆได้แล้วก็ดูลมต่อไปเราก็หยุดสวดแล้วเราก็ดูลมต่อไปคําถามจากคุณบูตี้พระอาจารย์ครับ ถ้านั่งสมาธิเร า, านั่งก็อี้หลับตาท่องพุทโธได้หรือเปล่าครับได้เพียงแต่ว่าถ้านั่งที่ดีที่สุดนั่งได้นานที่สุดก็คือถ้านั่งขัดสมาธิแต่ถ้าเรายังนั่งไม่ได้ก็นั่งเข้าอี้ไปก็ได้แต่มันจะนั่งไม่ได้นานเท่ากับการนั่งในท่าขัดสมาธิคำถามจากคุณวงสวรรค์พระอริยะบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันนั้นจิตของท่านเกิดปัญญาอย่างไรบ้างครับ ท่านรู้เห็นความจริงเรื่องใดบ้างและมีเครื่องบ่งชี้ใดที่แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นพระโสดาบันครับมันมองไม่เรามองไม่รู้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของใจใจของพระโสดาบันกับใจของผุุ้ชนนี่เรามองผ่านทางร่างกายไม่ได้แต่อาจจะมองผ่านทางพฤติกรรมได้เช่นพระโสดาบันนี้จะไม่ทําบาปรักษาศีลแล้วก็ ท่านมีความมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธรธรรมพระสงค์ท่านมีศรัทธาความเชื่อมั่นร้อยเเซแล้วท่านก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ใจใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงหยินน้ำลมไฟที่ต้องที่ต้องแก่ที่ต้องเจ็บที่ต้องตายไปท่านก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกาย อันนี้เป็นเรื่องของพระโสดาบันแต่เป็นเรื่องภายในใจของท่านที่เราไม่ค่อยเราอาจจะดูไม่ออก ด, ดูยากไม่ไม่ควรที่จะสนใจว่าใครเป็นหรือไม่เป็ น, ปนควรสนใจว่าเราเป็นหรือไม่เป็นดีกว่า <imas> สำคัญกว่าคนอื่นเขาเป็นก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นด้วยเราเป็นดีกว่าคนอื่นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเป็นก็ไม่เป็นไรขอให้เราขอให้เราเป็นก็แล้วกัน เหมือนกับเราเรียนสอบเอนทานเข้ามาหาอะไรใครจะเข้าได้ไม่เข้าได้ไ ม, ไ, ดไม่สําคัญนะขอให้เราเข้าได้ก็แล้วกันเอาตรงนั้นดีกว่าคํามสำคัญอยู่ตรงนั้นคําคถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าลูกจะถือศีลแปดที่บ้านในวันพระตอนเย็นถ้าหิวสามารถดื่มนมหรือน้ำเต้าหู้ได้หรือไม่เจ้าคะไม่ได้หรอกถ้าเป็นนมหรือน้ำเต้าหู้นี่ถือว่าเป็นอาหารต้องดื่มน้ําผ ล, ลไม้ได้ คำถามจากคุณนวาการเลือกคบคนที่มีคุณธรรมที่เราชอบถ้าเป็นคนเจ้าเล่ห์อักตันยูไม่ซื่อสัตย์เราจะไม่คบอย่างนี้จะถือว่าเป็นกิเลสเป็นมาระใหมคะคำว่าคบหมายถึงว่ า, เ, าเราไปาสนิทชิดชอบไปร่วมทํากิจกรรมกับเขาไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เราต้องรังเกียจเข า, เ, าเราก็ยังสามารถมีซ้ำ มีความสัมพันธ์ได้รู้จักกันก็ทักทายกันเจออะไรกันก็ก็อย่างถือว่าเป็นมิตรมีความเมตตาต่อกันได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าเขาชวนเราไปทำกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องเราก็อย่าไปกับเขาเท่านั้นเองเพราะว่าความหมายของการไม่คบก็คืออย่าไปทำกิจกรรมกับเขาเช่นเขาชอบดื่มโซดาเขาชวนเราไปดื่มโซดาเราก็อย่าไปเขาชอบเล่นการพนันชอบชอบโกหกหลอกลวงนี้ก็ชวนให้เราไปทำแบบเขาเราก็อย่าไปทำตามเขา แต่เราก็ยังถือว่าเาเป็นเพื่อนได้เขาก็เป็นคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ได้ก็ยังถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือเขาเวลาเขาทุกข์ยากเดือดร้อนในเรื่องของมนุษยธรรมในเรื่องของการอยู่รอดก็ช่วยเขาได้หาข้าวให้เ ข, า, า, เขากินหายาให้เขารักษาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของหลักของมนุษยธรรมของความเมตตาไม่เกี่ยวกับการครบหรือไม่ครบ การโค้มนี่หมายถึงว่าเราอย่าไปทำกิจกรรมกับเขาถ้าเขาเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมที่ไม่ดีเรา อ, อย่าไปให้เขามามาสอนหรือมาดึงเราให้ไปทำในเรื่องที่เขาชอบทำเท่านั้นเองคำถามจากคุณพันนีปฏิบัติถือศีลแปดวันพระวันธรรมดาถือศีลห้าปฏิบัติทุกวันจนยอมรับความจริงได้บ้างแล้ว ปล่อยวางเรื่องทางครอบครัวเราจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกเพราะมันไม่ช้าก็นแล้วเราก็ต้องแยกกันครอบครัวอยู่ร่วมกันเดี๋ยวไม่ช้กาก็เแล้วมต้องตายจากกันไปเป็นธรรมดาฉั้นเรื่องการแยกอยู่ไม่ได้อยู่ร่วมกันนี่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของการกระทำบาปแต่อย่างใดหมดแล้วเนะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหม <c oughs> ไม่มีเดี๋ยวรอรอสักพักหนึ่ง เพื่อมีใครกำลังพิมพ์ข้อความเข้ามาจะได้อันนี้พูดมายาวอันนี้เลยเหนื่อยหน่อยบาปนี้เกิดจากการฆ่าสัตว์เกิดจากการลักทรัพย์เกิดจากการประพติผิดประเพณีเกิดจากการพูดปดโกหกหลอากลวงแต่การที่แยกจากการแยกกันไปอยู่คนละทิศคนละทางนี้ไม่ถือว่าเป็นการบาป อาจจะถือว่าเป็นการขาดความเมตตาก็ได้คือเราไม่รักเขาแล้วเราก็เลยไม่อยู่กับเขา mm. สแสดงว่าเราไม่มีความเมตตาต่อเขาแล้วเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทาบาป mm. บาปนี้ต้องเกิดจากการไปทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนเช่ mm. นไปทำร้ายชีวิตเขา mm. ทำร้ายร่างกายเขา mm. หรือไปเอาทรัพย์ของเขามาโดยที่เขาไม่อนุ ญ, ญาต หรือไปมีชู้กับสามีภรรยาของเขาอย่างนี้เพราะจะไปสร้างความทุกข์ให้กับเขานั่นเองอย่างนี้ถึงเรียกว่าบาปแต่ถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องแยกกันอยู่อันนี้ก็ไม่บาปเพราะพุทธเจ้าก็ต้องแยกกันอยู่จากครอบครัวต้องสละราชสมบัติถ้าไม่แยกก็ไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุได้แต่ก็ไม่ได้เป็นการแยกแบบถาวร พอท่านบรรลุแล้วท่านก็กลับมาเยี่ยมเยียนกันมาดูแลกันต่อมาช่วยเหลือกันจนทำให้ผู้ที่เป็นครอบครัวของท่านมีโอกาสได้บรรลุธรรมขึ้นมาถ้าไม่แยกก็จะไม่มีวันจะได้บรรลุกันเลยแต่พอแยกแล้วพระมุทเจ้า ก, ก็จะได้มีเวลาได้บาเพ็ญอย่างเต็มที่พอบาเพ็ญได้เต็มที่ก็บรรลุธรรม พอ ม, มารู้ธรรมแล้วก็มาสอนคนที่ยังไม่บรรลุให้บรรูตุต่อไปได้ถ้าแยกแบบนี้ไม่ถึงว่าเป็นความเสียหายเป็นประโยชน์มีคำถามจากคุณเอส k ค่ะเพื่อนพึ่งฆ่าตัวตายเขาจะไปอบายหรือไม่คะไปไปคนฆ่าตัวตายนี้ต้องไปนรกเพราะใจนี้ร่มร้อนด้วยความทุกข์เานั้นอย่าฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาตัวที่เป็นปัญหาคือตัวกิเลส ตัวความอยากอยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็เสียใจพอเสียใจมากๆก็อยากจะฆ่าตัวตายแต่ถ้าเราไปฆ่าความอยากตัดความอยากได้ไม่อยากเอาก็ได้ไม่อยากไม่ต้องมีอะไรก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้มันก็จะไม่มันก็จะไม่เศร้ามันก็จะไม่ทุกข์พอมันไม่ทุกข์มันก็ไม่มีความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายแต่ถ้าอยากได้คนนั้นอยากได้คนนี้ให้อยู่กับเราพอก็ไม่อยู่กับเราก็เสียใจ เราจคิดฆ่าตัวตายงนั้นเราต้องฆ่าฆ่าตัวที่เป็นปัญหาตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราตัวที่สร้างความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์ตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากคือกิเลส ข, ของเราต้องหยุดความอยากของเราด้วยการใช้สติหรือใช้สมาธิหรือใช้ปัญญาปัญญาก็สอนว่าไม่มีอะไรท่ยงแท้แน่นอนมีมามีไป อยู่กับเราได้วันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะจากเราไปก็ได้ให้คิดอย่างนี้เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับการพัดภาคจากกันแล้วเวลาจากกันเราก็จะไม่เสียใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าเราปฏิเสธความจริงกันนี้คิดว่าเราจะต้องอยู่กันไปจนวันตายพอมันไม่เป็นอย่างที่เกิดอย่างที่เราคิดมันไปนแยกกันก่อนที่เราตายเนี่มันก็จะเกิดความทุกข์ ทุกบ้ากๆก็จะไม่ไม่อยากจะอยู่ก็อยากจะคิดว่าค่าตัวตายแล้วจะทําให้หายทุกพอไม่หายทุกแล้วเพราะความอยากมันก็ยังอยู่ถ้าได้เกิดชาติหน้ามันก็จะไปอยากแบบเดิมอีกคาถามจากคุณเคโรถือศีลแปดดูข่าวได้ไหมคะถ้าไม่จําเป็นก็อย่าดูดีกว่าเพราะว่ามันเสียเวลาเอาเวลามาดูจิตมาดูมาดูสติดูอะไรดูธรรมะดีกว่า เพราะว่าทางโลกดูแล้วมันจะทำให้ใจเราฟุ้งซ่านได้เครียดได้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจได้ไม่อยากไปติดตามอะไรเลยต้องปิดบิดเวานทั้งห้าตาหูจมูกนิ้งกายไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามนอกจากเรื่องธรรมะเรื่องเดียวทนั้นที่เราสามารถรับรู้ได้คำถามจากคุณพนัสการที่เราสนใจธรรมะแสดงว่าชาติก่อนเราเคยได้ฟังหรือปฏิบัติมาหรือเปล่าครับ ก็ไม่แน่เราไม่รู้เรื่องชาติก่อนก็อย่าไปสนใจขอให้เรารู้ว่าเราสนใจหรือไม่สนใจก็พอถ้าสนใจก็ดีถ้าไม่สนใจก็ควรที่จะทำให้เราสนใจให้ได้เพราะธรรมะเป็นของประเสริฐเป็นของที่มีคุณประโยชน์กับเรามาก คำถามจากคุณกรุงจินกระผมเจริญอนิจจสัญญาทําให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสในการดําเนินชีวิตและเข้าใจสภาพความเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งขอความเมตตาพระอาจารย์จะมีแนวทางปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับเพื่อเจริญก้าวหน้าต่อไปในการปฏิบัติธรรมก็ให้ปล่อยวางทุกอย่างมองให้ทุกอย่างมองให้เห็นทุกอย่างว่าไม่เที่ยงราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นลดร่างกายของเราร่างกายของคนทั้งหมด ก็เป็นของชั่วเล่ามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาปวายวางอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากได้ของเหล่านี้ให้อยู่กับความว่างอยู่กับความสมบงบเพียงอย่างเดียวก็พอคำถามจากคุณโสภาลูกขอถามลูกนั่งสมาธิท่องพุโตเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถได้ไหมคะ ก็แล้วแต่แว่ามันท่องแล้วทำให้ใจสงบหรือไม่สงบต้องดูที่ผลถ้าทาให้ใจสงบก็ใช้ได้ถ้าทาให้ใจไม่สงบก็อาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้คำถามจากคุณสายอุดมทุกคนล้วนไปนิพพานชาตินี้ได้หรือไม่ครับหรือว่าต้องเป็นคนที่กำลังบุญถึงเท่านั้นครับไม่ว่าใครก็ตามถ้าปฏิบัติสินสมาธิปัญญาได้ครบร้อยเปอร์เซ็นก็ไปได้กันทุกทุกคน อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติแบบร้อยเอร์เซศีลก็ร0อเเซสมาธิก็ร้อยเปอร์ซปัญญาก็ร้อยเปซถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ไปนิพพานได้คำถามจากคุณเอเพชรกเกษมนั่งสมาธิแล้วตัวหายมือหายเหลือแต่ความคิดอันนี้มาถูกทางไหมครับตัวงอและหัวตกอันนี้ถูกไหมครับ เว่านั่งสมาธิมันอาจจะงอบ้างก็ไม่เป็นไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเรายังมีสติ ร, ร, รู้รู้ตัวอยู่แต่ถ้าเรานั่งแล้วคอพับแล้วไม่รู้อะไรเลยก็เสียว่าเรานั่งหลับคำถามจากคุณเล็กพระพุทธเจ้าสององค์ที่ไปเกิดเป็นพรหมจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมเจ้าคะจะได้บาเพ็ญต่ออรหันต์หรืออยู่สวรรค์แล้วอรหันต์ได้คะ หมายถึงครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ<ร>้าสององค์เขาบอกพระพุทธเจ้าสององค์ค่ะพระพุทธเจ้าไม่มาเกิดแล้วผู้ที่ไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมก็คืออาจารย์ของของของพระพุทธเจ้าสองลูกท่าย น, นยังต้องกลับมาเกิดอยู่เพราะว่าจิตของท่านยังมีความอยากอยู่ยังไม่ได้ท่านยังไม่ได้มีปัญญายังไม่มีอริยสัจสีไม่มีตา ย, ายนนรักท่านยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาบวชใหม่มาบําเพ็ญสมาธิใหม่ต่อ